จงพากันตั้งใจฟังโดยสัจจะเคารพเธอหกการกัณจิตพระพุทธภาสิทธกุมภูประมังกายะมิทังวิธิตวานะครูประมังจิตตะมิทังตะเกตวาโยเทถะมารังปัญญาบุทเทนะชิตัญจะรักเข อ, อนิเวสิโนศิยาความว่า บุคคลพึงรู้ว่ากายนี้เปรียบเหมือนหม้อดินกั้นจิตไว้เหมือนป้องกันคนครรบมารด้วยอาวุธคือปัญญาเมื่อชนะแล้วก็รักษาความชนะไว้แต่ไม่ต้องติดอยู่ขยายความกายนี้ท่านเปรียบเหมือนหม้อดินเพราะมีของโสโครกซึมออกจากร่างกายอยู่เสมอ เช่นเหงื่อซึมออกจากผิวหนังและของปฏิกูลพึงรังเกียจออกจากทวารทั้งเ้าเช่นขี้ตาออกจากทางตาขี้หูออกทางหูอุจจาระออกทางทวารหนักปัสสาวะออกทางทวารเบาต้องคอยเช็ดล้างกันอยู่เสมอเว้นการเช็ดล้างเพียงวันเดียวก็มีกลิ่นเหมน็นเป็นที่รังเกียจแม้แห่งเจ้าของสรีระเอง ไม่ต้องกล่าวถึงผู้อื่นร่างกายเหมือนถุงหนังที่บรรจุบรรจุเอาของโสกรปรกต่างๆไว้ภายในมองเ ก, กลี้ยงเกลาแต่ภายนอกเมื่อเจาะผิวหนังเข้าไปก็มีสภาพเหมือนกันทุกคนบางท่านจึงกล่าวว่าความงามอยู่ลึกเพียงแค่ผิวหนังเท่านั้นมีน้ำซ้ำบางคนผิวหนังยังสีไม่งามเพราะโรคผิวหนังมีประการต่างๆเสอีกอันหนึ่งร่างกายนี้ ท่านเปรียบเหมือนหม้อดินเพราะแตกง่ายทำลายง่ายและเปืเป่อนง่ายภายในร่างกายมีแต่ของปฏิกูลเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆเช่นกระเพาะลำไส้รุงรังไปด้วยอวัยวะน้อยใหญ่ถ้าเอาภายในร่างกายนี้ออกภายนอกแล้วเดินไปพวกสุนัขและกาคงไล่ตามกันเป็นฝูงเจ้าของกายไม่ต้องการทาอะไรเพียง แค่คอยถือไม้ไล่กาและสุนัขเท่านั้นท่านสอนให้กั้นจิตจากอารมณ์อันชั่วร้ายกั้นจากข้าศึกคือกิเลสให้เหมือนการป้องกันนครโดยการสร้างคูเมืองและกำแพงเมืองไว้โดยรอบและพึงรบมารอันเป็นข้าศึกด้วยปัญญาเป็นอาวุธเมื่อรบชนะแล้วก็รักษาความชนะไว้แต่ไม่พึงติดอยู่ เปรียบเหมือนผู้ศึกษาเร่าเรียนเมื่อเรียนสิ่งใดได้แล้วก็รักษาไว้แต่ไม่ให้ติดในความรู้นั้นไม่ทนงตนไม่ยกตนข่มผู้อื่นเพราะความรู้นั้นอันหนึ่งว่าถึงการบรรลุธรรมอริยมรรยผลอันใดได้บรรลุแล้วก็รักษาอริยมรรยผลนั้นไว้แต่ไม่ติดไม่เพลิดเพลินแม้ในนิพพานพระพุทธเจ้าก็สงสอนไม่ให้เพลิดเพลิน เพราะความเพลิดเพลินเป็นบ่อกเกิดแห่งทุกข์พระาศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตนี้ขณะที่ประทับอยู่ณนะเมืองสาวัตถีทรงปรารบภิกษุผู้เจริญวิปัสสนาพวกหนึ่งซึ่งมีเรื่องย่อดังนี้ภิกษุเจริญวิปัสสนาภิกษุ500รรูปในกรุงสาวัตถีเรียนกรรมฐานในสำนักพระาศาสดาแล้วเดินทางไปบำเพ็ญเพียรในป่า พ่กเทวดาซึ่งสิงสถิตยอยู่ตามต้นไม้ในป่า น, นั้นคิดว่าเมื่อภิกษุอาศัยอยู่โขนต้นไม้การที่พวกตนจะขึ้นไปอยู่บนต้นไม้เป็นการไม่สมควรจึงพักอาศัยอยู่โขนไม้เหมือนกันคิดว่าพรุ่งนี้พระทั้งหลายคงจากไปแต่ในวันรุ่งขึ้นพระก็ยังอยู่จึงคิดว่าพรุ่งนี้พระคงไปหลายวันผ่านไปเทวดาเหล่านั้นขึ้นต้นไม้ไม่ได้อยู่ด้วยความลาบาก จึงคิดว่าพระคงจะอยู่ประจําตลอดสามเดือนพวกตนก็คงจะต้องลำบากเรื่องที่อยู่ตลอดสามเดือนเหมือนกันจึงตกลงกันว่าจะแสดงอาการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้ภิกษุทั้งหลายอยู่ไม่ได้บางพวกจึงทําเสียงอมนุษย์ให้ปรากฏบางพวกแสดงตนเป็นผีหัวขาดให้ภิกษุเห็นในที่พักกลางวันบ้างที่พักกลางคืนบ้าง โรคหลายอย่างมีโรคไอเป็นต้นเกิดขึ้นแก่ภิกษุทั้งหลายด้วยการกันแกล้งของเทวดาเหล่านั้นบางพวกเป็นโรคผอมเหลืองภิกษุทั้งหลายประจักษ์ดังนั้นอยู่ไม่ได้จึงพากันกลับมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธองค์ทรงทราบเรื่องแล้วทรงประทานอาวุธให้อย่างหนึ่งคือกรณียเมตสูตรให้ภิกษุเหล่านั้นสาธยาย ข้อความในกรณียเมตตาสูตรนั้นเกี่ยวกับการแผ่เมตตาไปยังสรพสัตทั้งหลายทั่วหน้าและว่าด้วยคุณธรรมของผู้จะบรรลุบทอันสงบคือพระนิพพานแล้วรับสั่งให้ภิกษุเหล่านั้นไปอยู่ที่เดิมภิกษุสาธยายกรณียเมตตาสูตรไปตั้งแต่ออกจากวัดเชตวันเมื่อถึงป่านั้นเทวดาทั้งหลายได้ยินแล้วเกิดเมตตาจิตตอนรับภิกษุเหล่านั้นด้วยดี ทำการอารักขาให้อย่างเรียบร้อยภิกษุเหล่านั้นไม่มีสิ่งรบกวนตั้งใจปฏิบัติธรรมจิตอย่างลงสู่สมาธิพิจารณาอัตภาพว่าเปรียบเหมือนภาชนะดินเพราะไม่มั่นคงพระศ า, ศ, าศาสดาสงสาบด้วยพระยานแล้วเปล่งพระรัศมีไปตรัสพระคาถาว่ากุมภูปมังกายามิทังวิทิตวาเป็นอาทิมีนัยยะดังอธิบายมาแล้วแต่ตนเมื่อจบ เทศนาภิกษุทั้ง500รูปบรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายเจ็ดกายนี้เหมือน่อนไมปไ้ประโยชน์พระพุทธภาษิตอจิรังวัตยังกายโยปัตวิงอธิเสสติชุทโธอเปตวินยาโนนิลถังวะกิริฆลังความว่าไม่นานเลยกายนี้จกนอนทับแผ่นดิน กายนี้เมื่อปราศจากวิญญาณอันเขาทิ้งแล้วก็เหมือนท่อนไม้อันไร้ประโยชน์อนธิบายความกายนี้ประกอบด้วยอายุไออุ่นและวิญญาณจึงยังมีการเคลื่อนไหวทานั่นทํานี่ได้อยู่แต่เมื่ออายุสิ้นไออุ่นดับวิญญาณออกจากร่างกายนี้ก็ไร้ประโยชน์ทําอะไรไม่ได้ส่งปิ่นเหม็นเป็นที่รังเกียจเพราะไม่มีสาระอะไร สมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าอายุอุตสมาจะวิญญาณังยทากายยังหันติมังอวิทโทธตถาสเสติเอตสาโรนวิชติเมื่อใดอายุไออุ่นและวิญญาณละทิ้งกายนี้เสียเมื่อนั้นกายนี้ก็ถูกทอดทิ้งนอนอยู่สาระในกายนี้ไม่มีเลย ท่อนไม้ด้วยซ้ำไปยังมีสาระในการหุงต้มหรือทำทัพสัมภาระอย่างอื่นแต่กายนี้ทำอย่างนั้นไม่ได้มีแต่เป็นเหยื่อของหมูนอนและแรงกาเมื่อตายแล้วคนที่เคยรักก็ไม่ปราถนาจับต้องวิญญาณหรือจิตจึงเป็นแกนสำคัญให้ร่างกายนี้พอมีค่าอยู่ปราชจากวิญญาณเสร็แล้วกายก็กลายเป็นของไร้ค่าทันที พระศาสดาจัดเทศนาเรื่องนี้ที่เมืองสาวัตถีทรงปราบพระปูติคัตติติสะเถระองเล็บผู้มีร่างกายเน่าเปื่อยมีเรื่องย่อ ด, ดังนี้พระปูติคัตติติสะเถระท่านเป็นชาวเมืองสาวัตถีฟังธรรมเทศนาของพระศาสดาแล้วมีความเลื่อมใสขอบันรพชาอุปสมบทตั้งใจจะบวชตลอดชีวิต ต่อมาโรคชนิดหนึ่งเกิดขึ้นแก่ท่านเป็นต่อมเล็กๆเกิดขึ้นตามผิวหนังก่อนแล้วโตขึ้นเรื่อยๆเท่าเม็ดถั่วเขียวหรือเมล็ดถั่วดําเมล็ดกระเบาเท่าผลมะขามป้อมและเท่าผลมะตูมตามลําดับแล้วแตกน้าเหลืองไหลทั่วกายร่างกายของท่านปรุพลไปด้วยรอยแผลจึงได้นามว่าปูติคัตติติสะ ซึ่งแปลว่าพระติดสะผู้มีกายเน่าต่อมากระดูกของท่านแตกเจ็บปวดแสนสาหัสผ้านุ่งผ้าห่มของท่านเปื้อนด้วยเลือดและหนองพวกสัตวิทวิหาริกอันเตวาสิก ข, ของท่านรังเกียจพากันทอดทิ้งท่านหมดสิน้นท่านหมดที่พึ่งนอนอยู่คนเดียวเช้าวันหนึ่งพระศา ส, าสดาส่งตรวจดูอุปนิสัยของเวนัยสัตว์พระปูติคัส เข้าไปในข่ายพระยานทรงทราบว่าปูติคัตมีอุปนิสัยแห่งอรหัตผลและไม่มีใครเป็นที่พึ่งนอกจากพระองค์เพียงผู้เดียวจึงเสด็จออกจากพระคันทักุดีประหนึ่งเสด็จจาริกไปในวิหารเสด็จไปที่กุติของพระปูติคัตทรงถามทราบความทั้งหมดแล้วเสด็จไปสู่โรงไฟทรงติดไฟล้างหม้อ ใส่น้ำแล้วยกขึ้นสู่เตาไฟประทับยืนในโรงไฟเพื่อรอน้ำให้เดือดสงสาบว่าน้ำเดือดแล้วเสด็จไปจับปลายเตียงข้างหนึ่งที่พระปุติคัตนอนมีพระประสงค์จะยกเตียงด้วยพระองค์เองขณะนั้นภิกษุทั้งหลายภิกษุหลายรูปเห็นภาษาสดาทรงกระทำเช่นนั้นก็มาขออาสาทำเสเองช่วยกันยกเตียงของพระปูตติคัตไปยังโรงไฟ พระศาสดาทรงให้นำรางมาส่งเทน้ำร้อนใส่แล้วสั่งให้ภิกษุเหล่านั้นเปลื้องผ้าห่มของภิกษุผู้ป่วยออกขยำด้วยน้ำร้อนแล้วให้ผึ่งแดดไว้พระศาสดาประทับยืนอยู่ใกล้เธอส่งรดน้ำอุ่นให้เองส่งถูสรีระของภิกษุป่วยให้อาบน้ำอุ่นเมื่อผ้าห่มแห้งทรงให้เอาผ้าห่มนั้นนุ่งดึงเอาผ้านุ่ง ออกมาให้ขยำน้ำร้อนพึงแดดไว้เมื่อตัวของเธอแห้งผ้านุ่งก็แห้งพระาศาสดาให้เธอนุ่งผืนหนึ่งและห่มผืนหนึ่งพระปูติคัตได้รับการปฏิบัติเช่นนั้นสริระกก็กระปี้กระเปร่าขึ้นจิตยังลงสู่เอกคตารมคือมีอารมณ์เดียวเป็นหนึ่งไม่วอกแวกพระาศาสดาทรงทราบว่าจิตของพระปูติคัตพร้อมที่จะรับพระธรรมเทศนาแล้ว จึงตัดพระขาถาว่าอาจีรังวัตยังกาโยเป็นอาธิมีนัยยะและคำอธิบายดังได้พัฒ น, นามาแล้วแต่ตนนั้นเมื่อจบเทศนาพระปูติคัตได้บรรลุอรหัตผลแล้วปรินิพานคนเราอื่นก็ได้สำเร็จอริยผลมีโสดาปติผลเป็นต้นพระผู้มีพระภาคเจ้าปโปรดให้ทำชาปนกิจศพแล้วทรงเก็บอัฐิธาตุแล้ ว, ลวปโปรดให้ทาเจดีไว้ ต่อมาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายทูล ถ, ถามพระศาสดาว่าพระปุติคัสตไปเกิดที่ไหนพระพุทธองค์ตัดตอบว่าพระปุติคัสตปริณิพานแล้วภิกษุทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ภิกษุผู้มีปณิสัยแห่งพระอรหันต์เช่นนี้เหตุไรจึงมีร่างกายเปื่อยเน่าและกระดูกแตกพระศาสด า, าตัดตอบว่าภิกษุทั้งหลายผลนี้เกิดแต่กรรมที่ปูติคัต ต, ติสะเทระ เคยทำเอาไว้ในการไรและกรรมอะไรพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงฟังพระศาสดาตรัสเล่าเรื่องอดีตกรรมของพระปูตะ ต, ะติคตติสเถระดังนี้ในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะพระติสเะเป็นพรานนกค่านกบำรุงอิสระชนคือรับจ้างค่านกให้คนใหญ่คนโตนกที่เหลือก็เอาขายนกที่เหลือจาก ขายก็หักปีกหักขาเก็บไว้เพราะคิดว่าถ้าฆ่าแล้วเก็บไว้มันจะเน่าเสียหมดตนต้องการบริโภคเท่าใดก็ปิ่งไว้นกที่หักขาหักปีกไว้นั้นขายในวันรุ่งขึ้นวันหนึ่งเมื่อโภชนาะอันมีรถดีของเขาสุกแล้วเขากำลังเตรียมจะ บ, บริโภคพระขีนาศพงหนึ่งมาบิณบาตหน้าบ้านเขาเห็นพระแล้วคิดว่าเราได้ฆ่าสัตว์มีชีวิตเสียมากมายแล้ว บัดนี้พระมายืนอยู่หน้าเรือนโภชนาอันดีของเราก็มีอยู่เราควรถวายอาหารแก่ท่านเขาคิดดังนั้นแล้วได้รับบาตรพระใส่โภชนาอันมีรสเลิศจนเต็มบาตรของท่านแล้วถวายบิณฑบาตนั้นไหว้พระด้วยเบญจางคับประดิษฐ์แล้วว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญด้วยกุศลผลบนนี้ขอข้าพเจ้าพึงบรรลุธรรมที่ท่านบรรลุแล้วเถิดพระเถระอนุโมทนาว่าจงเป็นอย่างนั้นเถิด ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระศาสดาตรัสในที่สุดผลทั้งหมดได้เกิดแก่ติดสะเพราะกรรมของเธอได้ทำเอาไวา้เพราะทุบ ก, กระดูกนกจึงยังผลให้มีร่างกายเปื่อยเน่ากระดูกแตกอาหารบินทบาทที่ถวายแก่พระศีนาโศเปรธิฐานเพื่อทำยังผลให้เธอบรรลุธรรมคือพระอรหันตผลภิกษุทั้งหลายกรรมที่บุคคลทําแล้วย่อมไม่ไร้ผล 8. จิตที่ตั้งไว้ผิด พระพุทธภาษิต ท, ที่โสที่สังยันตังกยิราเวรีวาปนเวรินังมิชฌาปณิหิตังจิตตังปาปิโยนังตะโตกรเรความว่าโจรเห็นโจรคนมีเวรต่อกันพบคนมีเวรด้วยกันจะพึงทําความพินาศอันใดต่อกันจิตที่บุคคลตั้งไว้ผิดยังสามารถทําความพินาศให้บุคคลมากกว่านั้นเสียอีกเราทีบายความ คำว่าจิตที่บุคคลตั้งไว้ผิดในพระคาถานี้ท่านหมายถึงตั้งไว้ในอกุศลกรรมรบทสิบมีปานาติบาตเป็นต้นและมีมิจฉาทิฏฐิเป็นปริโยสารหมายความว่ามีความเห็นผิดจากธรรมนองคลองธรรมเช่นเห็นว่าความดีไม่มีความชั่วไม่มีทมดีศูนย์เปล่าทมชั่วก็ศูนย์เปล่าดังนี้เป็นต้นจิตที่ตั้งไว้ผิดอย่างนี้ให้โทษมาก ทำความวอดวายให้มากมากกว่าโจรและคนมเบรนต่อกันจะพึงกระทําแก่กันท่านว่าคนพวกนี้ทําความพินาศให้แก่กันอย่างมากก็เพียงชาติเดียวแต่จิตที่ตั้งไว้ผิดย่อมให้ทุกโทษนานกว่าสามารถให้เสวยทุกในอบายสีไม่รู้จักจบสิน้นจิตของบุคคลจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งยวด อันหนึ่งบุคคลที่ต้องเป็นโจรและเป็นคนมีเวรกันก็เพราะจิตที่ตั้งไว้ผิดนั่นเองเป็นมูลกรณีพระศาสดาตรัสพระธรรมเทศนาเรื่องนี้ที่แคว้นโกสนทรงปรารบนายโคบาลชื่อนันทะมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องนายโคบาลชื่อนันทะนายนันทะเป็นชาวสาวัตถีเป็นคนมั่งคั่ง แต่ต้องการปกปิดฐานะของตนจึงไปรับจ้างเลี้ยงโคของท่านอนาถบิณิกเศษฐีอันหนึ่งท่านว่าเขาต้องการหลบหลีกการบีบคั้นของพระราชาจึงทำตนเป็นคนรับจ้างเลี้ยงโคทำนองเดียวกับชดินชื่อเกนิยะหลบหลีกความบีบคั้นแห่งพระราชาด้วยการเป็นบรรพชิต ร, รักษาขุมทรัพย์ของตนอยู่นายนันทะถือเอาปัญจโครถเคือ รถจากน้ำนมโคห้าอย่างเรียกว่าปัญจโครสคือนมสดนมส้มเปรียงเนยใสยเนยข้นในการอันควรวงเล็บคือไม่เพียงแต่เป็นคนเลี้ยงโคอย่างเดียวเมื่อมาสู่สำนักของท่านานาธาบินิกะเขาได้มีโอกาสเฝ้าพระาศาสดาฟังธรรมและทูลวิงบอลพระาศาสดาให้เสด็จไปสู่สำนักของตนบัง้งพระาศาสดาทรงรอคอยความแก่กล้าแห่งอินทรีย์และญาณของเขาอยู่ จึงไม่ได้เสด็จไปทันทีต่อมาเมื่อทรงทราบว่าอินทรีเขาแก่กล้าพอที่จะบรรลุมรรคผลได้แล้วพระาศาสดามีภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เป็นบริวารได้เสด็จไปยังที่อยู่ของดันทาโคบาลแต่ไม่ได้เสด็จไปยังเรือนของเขาทีเดียวเพียงแต่ประทับใต้ต้นไม้แห่งหนึ่งใกล้บ้านของเขานายนันท์ทราบแล้วพอใจรีบไปเฝ้าถวายปัญจโครถานอันประณีต แก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขตลอดเจดวันในวันที่เจพระศาสดาทรงอนุโมทนาแล้วตัดอนุปูปิกถามีทานเป็นต้นเมื่อจบเทศนาในนันทะได้สําเร็จเป็นพระโสดาบันรับบาดพระศาสดาแล้วตามสงสเสด็จไปไกลพอควรแล้วพระพุทธองค์ทรงรับบาดจากเขาแล้วรับสั่งให้กับขณะเขาเดินกลับนั่นเองนายพรานคนหนึ่งแทงเขาถึงแก่ความตาย มูภิษุที่ตามมาข้างหลังเห็นความตายของเขาแล้วทูลพระศาสดาว่าความตายของนายนันทะมีขึ้นเพราะการเสด็จมาของพระพุทธองค์พระศาสดาตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราจะมาหรือไม่มาก็ตามนายนันทะจะรอดพ้นความตายไปไม่ได้เขาต้องตายในวันนี้แน่นอนนายพรานจะต้องฆ่าเขาภิษุทั้งหลายจิตซึกตั้งไวผิด ย่อมทำความพินาศให้แก่ตนยิ่งกว่าโจรและคนจองเวรจะพึงทำแก่กันดังนี้แล้วตรัสพระพุทธพจน์ว่าทิโซทิสังยันตังกยยราเป็นอาทิดังมีนยะได้พันน า, นา ม, มาแล้วเป็นต้น 9. จิตที่ตั้งไว้ชอบพระพุทธภาษิตณตังมาตาปิตากยยราอันเยวาปิจายาตกา สัมมาปณิหิตังจิตังเสยโยนังตโตโกรเรความว่ามารดาบิดาหรือญาติทั้งหลายย่อมกระทําสิ่งนั้นให้ไม่ได้แต่จิตที่ตั้งไว้ชอบย่อมทําให้ได้และทำบุคคลให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐยิ่งกว่าที่มารดาบิดาจะพึงให้ได้อธิบายความคำว่าสิ่งนั้นในพระคาถานี้หมายถึงความประเสริฐ หรือคุณความดีตั้งแต่เบื้องต้นถึงเบื้องสูงกล่าวคือนิพพานสมบัติจิงอยู่มารดาบิดาหรือญาติอันเป็นที่รักอาจมอบทรัพย์สมบัติให้เลี้ยงชีพสบายไปชาติหนึ่งแต่ก็ชาติเดียวเท่านั้นไม่สามารถให้ข้ามพบข้ามชาติได้แต่จิตที่บุคคลตั้งไว้ถูกแล้วย่อมทาให้ได้สมบัติทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระให้ได้สการะความนับถือเกียรติยศและอื่นๆอีกมากมาย อันอยู่เหนือวิสัยที่มารดาบิดาจะพึงให้ได้จิตที่ตั้งไว้ถูกจึงมีคุณค่ามากบุคคลจะได้สวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติก็เพราะจิตที่ตั้งไว้ถูกแม้มนุษย์ยะสมบัตินี้ก็เหมือนกันพระาศาสดาตรัสพระพุทธคตนนี้ขณะประทับอยู่ณนเะมืองสาวัตถีทรงปรารบ พ, พระโสรายะเถระผู้มีประวัติแปลกพิสดารมีเรื่องย่อ ด, ดังนี้ พระโสระยะเถระเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ในกรุงสาวัตถีลูกชายของเศรษฐีคนหนึ่งในโสระยะนะครนั่งบนยานน้อยกับสหายรักไปสู่ท่าน้ำเพื่ออาบขณะเดียวกันนั้นพระมหากระายานะเถระเข้าไปบิณฑบาตในนครโสระยะเหมือนกันลูกชายเศรษฐีเห็นพระมหากระายานะผู้นี้มีผิวเพียงดังทองคา จึงเกิดความคิดขึ้นว่าพระเถระรูปนี้สวยจริงหนอควรเป็นภรรยาของเราหรือภรรยาของเราพึงมีผิวพรรณงามอย่างพระเถระรูปนี้พร้อมกับความคิดนั่นเองเพศชายของเขาหายไปเพศหญิงปรากฏขึ้นเขาละอายจึงลงจากยานน้อยหนีไปหนีไปยังเมืองตะกะศิลาแม้สหายของเขาที่นั่งไปด้วยกันและชนบริวารก็จําไม่ได้เพียงแต่พูดกันว่าอะไรนั่นอะไรนั่น สหายของเธอเมื่อไม่เห็นเธอก็เที่ยวค้นหาแต่ไม่เจอคนทั้งหลายช่วยกันค้นหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอมารดาบิดาของเธอจึงคิดว่าบุตรชายของตนตายแล้วจึงร้องให้และทำ ม, มัตตกะพัทคืออาหารถวายแกสมณะอุทิศแด่ผู้ตายนางเห็นพวกเกวียนไปสู่ตกศิลาหมู่หนึ่งจึงเดินตามเข้าไปพวกเกวียนเห็นแล้วจึงกล่าวว่านางเดินตามพวกเราไปทาไม พวกเราไม่รู้จักว่าเป็นลูกเต้าเล่าใครนางบอกว่าขอให้เขาขับยานไปเถิดเธอจกเดินตามไปเรื่อยๆแต่พอเดินนานเข้าก็เหนื่อยนางจึงถอดแหวนออกจากนิ้วส่งให้นายเกวียนเป็นข้าโดยสารขออาศัยไปด้วยชาวเกวียนเห็นนางอย่างประจักษ์แล้วคิดว่าบุตรชายเศรษฐีนายของพวกเรายัางไม่มีภรรยาสตรีนี้เหมาะสมกับบุตรแห่งนายของเรา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 ในสังสารวัตรอันยาวนานนี้ชายประพฤติผิดในกามล่วงละเมิดในภรรยาของผู้อื่นแล้วเมื่อตายย่อมตกนรกนานปีเมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ย่อมเกิดเป็นหญิงร้อยร้อยชาติแม้พระอาหนุนเถระเองผู้มีบา ร, รมีอันบำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่แสนกับท่องเที่ยวในสงสารคราวหนึ่งเกิดในตระกูลช่างทองได้กระทําการเมสุมิ ช, ช้าจารตกนรกแล้วด้วยเศษกรรมที่ยังเหลือต้องเกิดเป็นหญิงถึงสิบชาติ และถึงการถอนพืชวงเล็บคือเป็นหมันถึงเจ็ดชาติส่วนหญิงเมื่อต้องการเป็นชายพึงทำบุญทั้งหลายมีฐานเป็นต้นคลายความพอใจในความเป็นหญิงตั้งจิตอธิษฐานว่าด้วยอนุภาพแห่งบนนี้ขอพระเจ้าพึงกลับได้อัตภาพเป็นชายเมื่อทำกาลแล้วย่อมได้อัตภาพเป็นชายอันหนึ่งหญิงที่ปฏิบัติสามีประพฤติต่อสามีประหนึ่งเขาเป็นเทวดาของตน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 นางยืนดูอยู่ที่ปราสาทมองเห็นแล้วจำได้จึงให้คนใช้ไปเชิญมาต้อนรับเป็นอันดีด้วยเครื่องบริโภคอันมีรถเลิศต่างๆเมื่อเสร็จแล้วผู้เป็นอคันตุกะจึงถามว่านางผู้เจริญท่านต้อนรับข้าพเจ้าเป็นการใหญ่ท่านรู้จักข้าพเจ้ามาก่อนหรือส่วนข้าพเจ้าเองขอสารภาพว่าไม่เคยเห็นท่านมาก่อนเลยท่านเป็นชาวโสระยะไม่ใช่หรือนางถามใช่นางผู้เจริญ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 เธอทราบไหมว่าเวลานี้ท่านอยู่ที่ไหนท่านอยู่ที่โสริยะนครนี่เองอาคันตุกะตอบฉันจะจัด ก, การให้เธอขอขมาท่านเข้าไปนิมนต์พระเถระหรือพระมหากระจายะนะเถระเพื่อฉันที่บ้านของสหายในวันรุ่งขึ้นพระเถระรับบินทบาทแล้ววันรุ่งขึ้นได้ไปยังเรือนนั้นสหายผู้เป็นอาคันตุกะอังค่าท่านแล้วนําหญิงสหายมาหมอบลงแทบเท้าพรางกล่าวว่า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 เราทั้งสองจะเป็นเพื่อนกันอยู่ในนคร น, นี้แหละเธออยากคิดอะไรมากเลยผู้กับเพศกล่าวว่าผู้ร่วมทุกข์ของฉันฉันถึงความแปลกกว่าผู้อื่นถึงสองครั้งคือเดิมเป็นผู้ชายแล้วกลับเป็นผู้หญิงแล้วเป็นชายอีกในอัตภาพเดียวเมื่อก่อนนี้บุตรสองคนอาศัยฉันเกิดแล้วมาบัดนี้บุตรอีกสองคนเกิดจากท้องฉันสหายฉันคิดถึงเรื่องนี้แล้วไม่อยากอยู่คลองเรือนอีกต่อไป ฉันอยากบวชในสำนักของพระเถระขอให้เด็กสองคนนี้เป็นภาระของเธอดังนี้แล้วจูบบุตรทั้งสองรูปหลังแล้วมอบให้บิดาของเขาออกบวชในสำนักของพระเถระพระมหาการยานเถระให้เธอบวชแล้วพาจาริกไปโดยลาดับจนถึงเมืองสาวัตถีราชธานีแห่งแคว้นโกศลคนทั้งหลายเรียกท่านว่าพระโสเรยะเถระ เรื่องของท่านแพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วคนทั้งหลายเห็นเป็นเรื่องแปลกจนพากันมาถามท่านพวกแล้วพวกเล่าว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นจริงหรือท่านตอบว่าจริงเขาถามต่อไปว่าในบรรดาบุตร2ประเภทคือประเภทที่อาศัยท่านเกิดและประเภทที่เกิดในท้องของท่านท่านรักลูกประเภทไหนมากกว่าท่านตอบว่ารักลูกในท้องมากกว่าเมื่อถูกถามอยู่เนืองเนืองและตอบอยู่ดังเนือ ง, นองในเรื่องนี้ท่านก็เกิดความรําคาญ เหลือเออมรอาาจึงพยายามปีกตนออกไปจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียวทำความเพียรไม่ย่อหย่อนตั้งความสิ้นความเสื่อมในอัตภาพไม่นานนักได้บรรลุพระอรหัตตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายหลังจากนั้นเมื่อมีคนมาถามท่านว่าในบุตรสองพวกท่านรักบุตรพวกไหนมากกว่าท่านตอบว่าความสิเนหาในบุตรไม่มีแก่ท่านแล้ว ภิกษุทั้งหลายสดับเรื่องนั้นแล้วเข้าใจว่าพระโสระยะพูดพยากรพระอระหันตคืออวดมักอวดผลจึงนําความกราบทูลภาษาสดาพระตถาคตเจ้าตัดว่าภิกษุทั้งหลายบุตรของเราพูดอวดมักอวดผลก็หาไม่ได้เพราะตั้งแต่บุตรของเราเห็นมักด้วยจิตที่ตั้งไว้ชอบแล้วเธอก็หมดความเสียหาในบุตรภิกษุทั้งหลายจิตที่ตั้งไว้ชอบย่อมให้สมบัติที่มารดาบิดามิอาจให้ได้ ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าณนะตังมาตาปิตากะยิราเป็นอาทิมีเนยะดังที่ได้พรนนานามาแล้วแต่ต้นนั่นและวรคที่สเรียกว่าจิตตะวะควรนณาน า, นารวมเก้าเรื่องจบเพียงเท่านี้เรื่องที่ชายกับเพศเป็นหญิงและหญิงกับเพศเป็นชายนี้เคยได้ยินได้ฟังและเคยอ่านในหนังสือบางเล่มว่ามีอยู่หลายรายในยุโรปในพวกสัตว์ เช่นไก่เป็นต้นก็มีเหมือนกันเสียดายที่ไม่ได้บันทึกไว้หากได้จดบันทึกไว้และนำมาผนวกรวมไว้กับเรื่องนี้น่าจะเป็นทางพิจารณาอันดีสำหรับท่านผู้อ่านที่สนใจผู้เขียน 4. ว่าด้วยดอกไม้ปุพพวัคควันานา 1. ผู้เลือกเก็บดอกไม้พระพุทธภาษิตโกอิมังปทวิงวิเชษสติ ยับโลกันจะอิมังสเทวกังโกธ ร, รมะปะทังสุเทสิตังกุสโลปุพะมีวะปะเจสติเสโขปตะวิงเวเชสติยมบโลกันจะอิมังสเทวกังเสโขธรรมะปะทังสุเทสิตังกุสโลปุพะมีวะปะเจสติความว่าใครจักรู้ชัดแผ่นดินคืออัตภาพนี้และยมบโลกคืออบายภูมิสี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 เมื่อภิกษุสนทนากันเรื่องแผ่นดินพระองค์ผู้ทรงเป็นธรรมราชาประกอบด้วยเทศนาโกศลอันยอดเยี่ยมไม่มีใครเสมอเหมือนมีพระประสงค์จะชักนำภิกษุให้มาสนใจในแผ่นดินภายในคืออัตภาพนี้ว่าควรพิจารณาให้เห็นแจ้งเพื่อละความกำนัดในกายในที่บางแห่งทรงเปรียบอัตภาพนี้ด้วยโลกทรงบัญญัติโลกและความดับโลกในอัตภาพนี้ดังข้อความใน โรหิตตัสสูตรสังยุตตานิกายว่าอิมัสเมงเยวะพยามะมะเตกเรวะเร ส, สัสรยัตนิสมมเกโลกันเจวะปัญยญเปมิโลกะสมุธยัญจะโลกะนิโรทันจะเป็นต้นความว่าเราบัญญัติโลกและความเกิดขึ้นแห่งโลกรวมทั้งความดับโลกและทางให้ถึงความดับโลก ในร่างกายอันมีประมาณว่าหนึ่งนี้ซึ่งมีสัญญามีใจครองและตัดต่อไปว่าในการไหนไหนบุคคลไม่สามารถไปให้ถึงที่สุดแห่งโลกได้ด้วยการไปธรรมดาและเมื่อ ย, ยังไปให้ถึงที่สุดแห่งโลกไม่ได้ก็จะพ้นจากทุกข์ไม่ได้ คำว่าโลกในที่นี้ก็ทรงหมายถึงอัตภาพนั่นเองคือเมื่อยังไม่รู้แจ้งกายนี้โดยความเป็นของปฏิกูลไม่สะอาดไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็จะพ้นจากทุกข์ไม่ได้โลกภายในนี้จะไปให้ทั่วด้วยยานพาหนะใดๆก็ไม่ได้อาจจะไปต้องไปด้วยยานไม่ใช่ด้วยยานสะกดต่างกันยานยอผู้หญิงกับยานยอยักษ เมื่อรู้กายนี้โดยแจ่มแจ้งแล้วก็สามารถคลายความพอใจในกายแระกิเลสได้ตามมรคนั้นๆตามกำลังแห่งมรคของตนของตนท่านกล่าวว่าพระเสขะสามารถรู้ชัดซึ่งแผ่นดินคืออัตภาพนี้ได้พระเสขะนั้นท่านหมายถึงพระอริยบุคคลเจ็ดจำพวกคือพระผู้ตั้งอยู่ในโสดาปฏิมรคถึงอรหัตตมรคพอบัรูอรหัตตผลก็เป็นพระอเสขะ แปลว่าผู้ไม่ต้องศึกษาเพื่อบรรลุธรรมอีกต่อไปเพราะได้บรรลุหมดแล้วในตอนที่สองทรงแสดงว่าพระเสขะนั่นเองเป็นผู้เลือกบทแห่งธรรมที่พระองค์ทรงแสดงไว้ดีแล้วเหมือนนายมาลาการคือช่างดอกไม้ผู้ฉลาดเลือกเก็บดอกไม้ที่ดีในสวนดอกไม้มองตามแง่นี้ธรรมวินัยของพระตถาคตเจ้าเปรียบเสมือนสวนดอกไม้อันสพรั่งไปด้วยดอกไม้คือ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 สนทนากันถึงเรื่องแผ่นดินหรือทัศนียภาพที่ตนได้เห็นมาว่าสถานที่นั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเช่นสวยงามไม่สวยงามมีโคลนมากมีเปลือกตมมากมีกรวดมากดินมากดินแดงเป็นต้นพระศาสดาสเสด็จมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องที่เธอสนทนากันอยู่นี้เป็นแผ่นดินภายนอกพวกเธอควรสนใจและทาบริกรรมในแผ่นดินภายในคืออัตภาพนี้ ดังนี้แล้วตรัดพระคาถาว่าโกอิมังปตวิงวิเชษสติเป็นอาทิมีนยะดังพรนานามาแล้วแต่เบื้องต้น 2. ผู้ตัดพวงดอกไม้ของมารพระพุทธภาษิตเพโนปมังกายะมิมังพิิตวามรีจิธรรมังอภิสัมพุทธโนเชตวานะมารัตส ะ, ะปปุปภกานิอัทัสนังมัจจุ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 มีรูปร่างเหมือนจะจับสวยได้สำหรับผู้มองจากที่ไกลแต่พอเข้าไปใกล้ก็ว่างเปล่าคำว่าพวงดอกไม้ของมา น, นั้นหมายถึงวัตตะในภูมิสคือกามภูมิรูปประภูมิและอรูปภูมิในที่บางแห่งท่านแสดงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะว่าเป็นพวงดอกไม้ของมานเพราะคอยล่อให้คนหลงและติดอยู่เป็นของละได้ยากอย่างหนึ่งในโลก ข้อว่าสถานที่อันมัจจุราชมองไม่เห็นนั้นคือพระนิพพานบุคคลผู้มองโลกด้วยความเป็นสิ่งว่างเปล่าไม่ยึดมั่นถือมั่นในโลกแล้วมัจจุราชย่อมมองไม่เห็นคือไม่ต้องตายอีกสมดังพระพุทธพจน์ที่ตรัสตอบโมคราชานบว่าสุญญโตโล ก, กังอเวกัะ ส, สะโมคราชสะสตาสโตอัตานุทิถิงโอหัจเเอวังมัจจุตโรสยา เอวังโล ก, กังอเวขันติมัจยุราชานปัสสติความว่าดูก่อนโมคะราเธอจงถอนอั ต, ตานุทิฏฐิเสียเป็นผู้มีสติทุกเมื่อมองโลกโดยความเป็นของว่างเปล่าก็จะสามารถข้ามพ้นมั จ, จุราชได้มัจยุราชย่อมมองไม่เห็นบุคคลผู้พิจารณาโลกอยู่อย่างนี้อั ต, ตานุทิฏฐินั้นคือความยึดมั่นถือมั่นในตัวตน ความมีอัศมิมาณฑว่าเราเป็นนั่นนั่นเป็นเราความมีอาหางการ ม, มังการความยึดมั่นในตัวตนอย่างเหนียวแน่นไม่มีแสงสว่างใดๆลอดเข้าไปที่สงสอนให้มองโลกโดยความเป็นของว่างเปล่านั้นเพื่อไม่ให้ติดโลกจมอยู่ในโลกไม่สามารถถอนตนขึ้นจากโลกได้หากประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิอันดิ่ง ก็จะกลายเป็นต่อในวัตตะไม่อาจบรรลุมรคผลอะไรได้พระศาสดาทรงแสดงเทศนาเรื่องนี้ขณะประทับอยู่ที่สาวัตถีทรงปรารบพระเทระผู้เจริญมารีจิกรรมฐานมีเรื่องย่อดังนี้พระเทระรูปหนึ่งเรียนกรรมฐานในสำนักพระศาสดาแล้วคิดว่าจักทำสมณธรร ม, ม, รรมเข้าไปสู่ป่าแม้เพียรพยายามอยู่อย่างไรก็ไม่อาจ ให้บรรลุพระอระหันตได้จึงกลับมาสู่สำนักของพระาศาสดาด้วยตั้งใจว่าจะให้พระาศาสดาตัดบอกกรรมฐานให้ยิ่งขึ้นไป<อ>เห็นพยับแดดในระหว่างทางจึงเจริญมลีจิกรรมฐานว<อ>งเล็บคือกรรมฐานอันมีพยับแดดเป็นอารมณ์ว่าพยับแดดในฤดูร้อนนี้ย่อมปรากฏประดุษมีรูปร่างแก่บุคคลผู้ยืนอยู่ไกลแต่เมื่อเข้าไปใกล้ย่อมไม่ปรากฏเลยชั้นใด อัตภาพคือร่างกายนี้ก็ฉันนั้นเพราะเกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปดังนี้เป็นต้นเดินมาเมื่อยล้าจึงหยุดพักอาบน้ำในแม่น้ำอจิละวดีนั่งที่ร่มไม้ริมฝั่งแม่น้ำอันมีกระแสเชี่ยวแห่งหนึ่งเห็นฟองน้ำใหญ่ตั้งขึ้นด้วยแรงกระทบกันแล้วแตกไปท่านได้ถือเอาสิ่งนั้นเป็นอารมณ์แล้วเปรียบเทียบกับอัตภาพว่าแม้อัตภาพนี้ก็เหมือนกันเพราะเกิดขึ้นแล้วก็แตกไป พระศาสดาประทับอยู่ที่พระคันทกุดีนั่นแหละทอดพระเนตรเห็นพระเถระนั้นจึงตัดว่าถูกแล้วภิกษุเธอคิดถูกแล้วอัตภาพนี้เหมือนฟองน้ำและเหมือนพยับแดดเพราะเกิดขึ้นแล้วดับไปดังนี้แล้วตัดพระขาถามว่าเพนูปมังกายมิมังวิทิตวาเป็นอาทิมีเนยะดังอธิบายมาแล้วแต่เบื้องต้นนั่นแหล อ ร, รมกถาสาธายสมันเตหิสัละเกตาพาตินี่เขาเกี่ยวกับพุทธภาษิต น, นี่พุทธภาษิต ในตัดในธรรมบทใ น, ในพระไตรปิฎกเนะี่ย่งท่านได้คัดลอกอกมาเพื่อให้ได้ศึกษาง่ายขึ้นในพุทธภาษิตต่างๆนี่ก็เป็นแบบการศึกษาของพระภิกษุสามเณรส่วนหนึ่งซึ่งในการศึกษาปริยัติธรรมในขั้นพื้นฐานก็จะให้เรียนพุทธภาษิต เพื่อประดับความรู้หรือสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติได้ซึ่งท่านก็แยกเป็นหมวดหมออกมาเป็นหมวดหมวดนี่หมวดจิตใจหมวดร่างกายนี่หมวดจิตก็ผ่านไปแล้วจิตที่ตั้งไว้ผิดจิตที่ตั้งไว้ชอบมีคุณอย่างไรมีโทษอย่างไรดังที่ท่านได้อธิบายความสำคัญก็คือจิตใจนี่แหละอะไรก็ ไม่สำคัญเท่ากับจิตที่เราปฏิบัติกันนี่ก็เป็นเรื่องจิตจิตที่ฝึกได้ยากหรือฝึกได้ง่ายก็อยู่ที่การสั่งสมอบรมคนสั่งสมสัมมาทิฏฐิไว้มากจิตใจก็ฝึกได้ง่ายคนที่นิยมแต่คิดในทางที่ผิดมีความเห็นผิดยึดในความเห็นผิดสั่งสมมานานสั่งสมมามากก็เป็นเรื่อง ยากที่จะฝึกได้ง่ายอย่างที่บุคคลที่เคยฝึกเคยหัดมาปฏิปทาคนถึงแตกต่างกันเนี่ยจึงแยกออกมาถ้าก็แยกเป็นปฏิปทาสี่ด้วยพรูเตจ้าของเรายคนเราไม่เหมือนกันไม่เท่ากันปฏิปทาคือการดำเนินมาต่างกันบางคนคบเพื่อนไม่ดีเนี่ย พอก็เพื่อนไม่ดีก็ได้อุปนิสัยจากเพื่อนเนี่ยก็กลายเป็นบุคคลที่มีความเห็นผิดคิดผิดทำผิดมาโดยตลอดนีพอมารู้สึกตัวก็ยากในการแก้ไขแม้จะแก้ไขได้แต่ว่าก็ยากหน่อยนบางคนนีที่เรียกว่ามีบุญเนเกิดมาในตระกูลสัมมาทิทีิสิงแวดล้อมดีเนี่ยได้รับแต่สิ่งที่ดีเห็นแต่สิ่งที่ดี ได้รับคำแนะนำแต่สิ่งดีๆนะก็ได้สั่งสมแต่คุณธรรมนะความดีงามนะก็ย่ม ง, ง่ายง่ายต่อการที่จะฝึกอบรมจิตใจนะี่พระองค์จึงตัดว่าคนเราปฏิปทาเนี่ยไม่ไม่เหมือนกันนะปฏิปทาสบาบบาาีบางคนปฏิบัติลำบากรู้ได้ยากบางคนปฏิบัติลำบากรู้ได้เร็ว บางคนปฏิบัติสบายรู้ได้ช้าก็มีบางคนปฏิบัติสบายรู้เร็วก็มีนี่ไม่เหมือนกันนี่นี่ยบางคนก็โอ้คนอื่นเขาทาไมทําได้เราทําไม่ได้นี่เองก็ทํามาไม่เหมือนกันเนาะนี่ทำมาต่างกันไม่ว่าแต่โยมเลยไม่แต่พระเราเหมือนกันนะปฏิปทาสังสมมาไม่เหมือนกันนี่บางทีลูกพ่อเดียวแม่เดียวกันเกิดมายังไปคนละทิศละทางเลยไม่เหมือนกันหรอกความประพฤตินี้ทําไมถึงเป็นอย่างนั้น อันนี้ก็น่าคิดนะที่ท่านบอกว่าปุเพจักตะบุญยญาตานี่่านีเกิดมาเอาอตะกูลสัมมาทิฐิอยู่แต่ทำไมเขาเขามีความเห็นผิดจนได้นี่อันนี้มันก็เกิดวิสัยอยู่เหมือนกันนี่ก็นิยมนิยมในทางที่ไม่ดีเป็นคนเกเรนดึงมาก็ไม่มาเนี่ย น, นมันเป็นอุบนบสัยเป็นปัจจัยที่สั่งสมอบรมมา บางคนนี่เล็กๆก็ให้ความสนใจล้นีสนใจสวดมนต์ให้พรสนใจนั่งสมาธิเนี่นี่มีเด็กคนหนึ่งอยูใ่ในชนบุรีเนี่ยอายุเพิ่งห้าขวบหกขวบเองเขาชวนไปเที่ยวงงวยไปมันอยากมานั่งสมาธิสมัยโน้นมาเดินทางมายังไม่มีวัดหรอกผ่านมาแล้วก็ผ่านไปบางพระไปเขาฉลาดกก็ดีรู้จักกับโยมแล้วก็ยายก็รู้จัก พอมาพักไม่มีที่พักก็เลยไปพักอยู่ในเมืองเป็นวัดวัดในเมืองแต่เขาก็มีที่สาหรับผู้ปฏิบัตินี่เขาเรียกศาลาธรรมรสศาลาธรรมรสนั้นโยมจะไป น, นั่งสมาธิทุกทุกเย็นเนีเขาก็ทำดีนะเพราะว่าคนในเมืองนี้วุ่นวายแต่ว่าอยากจะทำสมาธิจเจริญภาวนาไม่ไม่มีสถานที่จะไปวัดในป่าก็ไกลเนี่ย ตนเองทําการงานภารกิจการงานกว่าจะเลิกก็คํามืดเนะี่ยตั้งหกโมงทุ่มหนึ่งเนะี่ยเขาก็เลยเปิดไว้ให้สําหรับคนไปนั่งสมาธิประมาณสองทุ่มถึงสามทุ่มวัดถึงปิดประตูนี่ก็ได้เป็นนั่งคนที่มีปณิสัยก็เป็นนั่งเด็กคนนี้ก็ไปกับแ ม, ม่แม่ก็มาเล่าให้ฟังนี่ให้ไปเที่ยวก็ไม่ไปอยากมานั่งสมาธิเห็นไหมเด็กมันมีอุปณิสัย มีประเด็นใส่ถึงจะดึงไปมัไม่ไปเลยถ้ามันมีวิปนิสัยเนี่ยมันมีบุญเนี่ะมันจึงต่างกันไงถ้าลักษณะนี้มันมันก็ง่ายนะเหมือนกับทีทันวะนี่ภาษาวกบางรูปเนี่ยปฏิบัติเร็วเหลือเกินเนี่ยฟังธรำแทบเดียวเท่านั้นนะน้อมจิตไปบรรลุบรรลุธรรมนะทำไมเร็วเหลือเกินคือความพร้อมไงคนเราถ้ามีความพร้อมมันเร็วเนี่ยเมื่นเรานั่งอยู่นี่มอนกันนะ ถ้ามีปณิสัยเนะี่ยฟังธรรมจับหัวข้อธรรมได้นะจิตใจอย่างลงสู่ธรรมนะโอ้เห็นตามเห็นตามธรรมที่ท่านกล่าวนะเห็นทุกข์เห็นโทษนะเห็นโทษของความยึดมั่นไมยมั่นนะว่ามันหนักพยยิจารณาอย่างลงสู่ญาณความรู้แจ้งตรงนั้นนะเห็นแล้วละในขณะนั้นนะ เรียกว่าคลายความยึดมั่นถือมั่นอัตตาตัวตนในขณะนั้นก็เกิดความเบาขึ้นในขณะนั้นการบรรลุธรรมจึงไม่มีพิธีรีตองไม่ต้องทำพิธีอะไรมากความเข้าใจในธรรมท่านั้นก็บนบนรรลุธรรมได้นี่ัรรูุขณะนั้นมันละได้ในขณะนั้นเนี่ยถ้าเข้าใจในขณะที่นั่งอยู่เนี่ยมันละได้ในขณะนั้นมันก็เกิดความเบาในขณะนั้น เหมือนเรารู้ว่าเราแบกของหนักรู้ว่าหนักแล้วก็โยนทิ้งเลยก็เกิดความเบาในขณะนั้นทันทีเนี่ยไม่ใช่ว่าหนักแล้วโอ้ยฉันหนักอยู่แต่ก็ทิ้งไม่ได้แล้วใครจะช่วยได้เนาะหนักอยู่บอกให้ทิ้งเสียได้ทิ้งไม่ได้เนี่ยมันต่างกันไงโภปนิสัยของคนผู้ที่อยู่เนี่ยอย่างครูบาอาจารย์เนี่ยแต่ก่อนก็สงสัยเหมือนกันน้อยท่าน อ, อยู่ได้อย่างไรเนี่ย การอยู่การปฏิบัินี้ไม่ใช่เรื่องเรื่องสบายนเรื่องลำบากนนี่ว่าแม้ท่านทนอยู่ได้นี่ท่านจะบรรลุธรรมหรือไม่บรรลุธรรมเนี่ยแต่ท่านมีคุณธรรมนมีศีลมีอะไรนี่มีวินัยดีนี่ก็น่าเคารพเลยเนเพราะว่าท่านทนอยู่ได้ท่านยังรักรักในธรรมรักในวินัยเนเป็นผู้รักศีลนะนะรักศีลผู้รักศีลนี่สามารถส่งไว้ซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เน แม้ไม่ได้บรรลุยังไม่ได้บรรลุก็ตามเน่พระตองค์ได้เคยพยากรณ์ไว้ว่าบุคคลผู้มีความตั้งใจมีศรัทธาเ่ตั้งใจทำความเพียรแม้จะนั่งงกง่วงอยู่เนี่ยก็ยังสัรเสริญกว่าภิกษุที่คุกคีอยู่ในในเมืองคุกคีกับฤๅษีอยู่บ้านเพลิดเพลินอยู่กับบ้านเนี่ยอย่างนั้นไม่ประเสริฐเลยเนี่ภิกษุที่ทำความเพียรแม้นั่งงกง่วงอยู่นี่ โอกาสข้างหน้าเขาจะบรรลุธรรมมีอย okay. okay. ู่เพราะอะไรศรัทธาเขามีนี่ความเพียรเขาก็มีนี่แต่ว่าปัญญายังไม่ถึงเท่านั้นเองนี่การสั่งสมอารมณไปเรื่อยๆเนี่ยเมื่อถึงที่สุดมันจะพัฒนาของมันเองนะทำไปทำไปไม่ใช่คนตายนี่ได้ตัวอย่างจากตัวเองแล้วนี่ทำไปโอ้เมื่อยก็เมื่อยเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าบางที่ก็ท้อแท้อ้อถอยเนี่ท่านแต่แล้วก็ศรัทธามีเนี่ย ไม่ถอยท่านพานั่งก็นั่งทนเอาจิตมันยังไม่สงบก็ทนนั่นคือความเพียรไงศรัทธาก็มีความเพียรก็มีแต่ปัญญามันยังไม่มีเนี่ยทำแล้วล้มลุกคุกคานนั่งไปก็จะรู้สึกตัวไอ้ทีอาหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาถึงรู้นั่งอยู่ก็หลับเลยตื่นขึ้นมาเอาไหมเนี่ยนั่นก็การฝึกหัดยฝึกหัดปฏิบัติว่าฝึกไปฝึกไปมันก็ถามตนเองนะนี่ถามว่าเราทําเราได้อะไรบ้างน เราฝึกไปแล้วได้อะไรบ้างเนี่ยตอ น, น, นแรกๆปัญญาไม่ถึงอไม่ได้อะไรเลยเนาะน่าเสียดายนะี่ยนั่งกับท่านทั้งคืนก็ไม่ได้อะไร น, ะนี่คิดไม่ถูกก็เบื่ออีกเนะี่ยท้อแท้ก็เหมือนกับที่เคยเล่าให้ฟังนะี่คิดไปคิดมานะเนี่ยเราไม่มีมุว่าศาสนาไม่มีแล้วมันะ้งเนี่ยไปเป็นโยมทําบุญให้ทานนะน่าจะดีกว่านะบำํำบลพุทธศาสนาเนะ่ยบางครั้งมันก็คิดไปลักษณะนี้นะเนี่มันความคิดนะนะความคิดเนะี่ยคิดไปนะ ก็เอทนไปอีกไหมคิดไปคิดมาคิดไปทำไปก็พิจารณาไปเนะี่ยมันไม่ได้ดังใจมันไม่เห็นอะไรนะพอทำไปทำไปถึงที่หนึ่งมันก็จะมีความคิดแตกต่างจากกันนี้นะแต่ก่อนมันคิดว่าการกระทํานั้นนะเราทำผ่านมาไม่ได้อะไรเลยนะแต่เมื่อมันทำไปเรื่อยเื่อมันกลับมองเห็นว่านี่มันก็ได้เหมือนกันนะได้อะไรเราก็ได้ทำไง การทำนี่เป็นการสร้างสร้างบารมีสร้างบา ร, รมีธ ร, รรมก็คือสร้างศรัทธาเพิ่มศรัทธาเพิ่มวิริยะเพิ่มขันตินี่แม้สมาธิยังไม่เกิดมันก็เพิ่มบา ร, รมีส่วนนี้สนับสนุนส่วนนี้เนี่ยแม้ในความรู้สึกของเราว่ามันไม่ได้อะไรแต่ที่จริงแล้วมันได้เนี่ยเหมือนครูบาอาจารย์ว่าทาตอนไหนมันก็ได้ตอนนั้นแหละเนยเหมือนเราทําดีเนะี่ย ทีนี้ความดีมันยังไม่ให้ผลนะเราไอ้ทำดีไม่ได้ดีมักจะบ่นกันอยู่อย่างนี้แหละทำดียังไม่ถึงดีมันความดีไม่ปรากฏนี่ระวังให้ดีมันจะท้อก่อนนะี่แต่ทอ้อตอนนี้ก็น่าเสียดายสิ่งที่ทำ ไ, ว, นะทำไว้แล้วเนี่ยทำไว้ตั้งเยอะแล้วใกล้จะเสร็จอยู่แล้วเนะี่ยใกล้จะได้กินลูกกินผลอยู่แล้วกับคิดผิดซะเนี่อนะคิดผิซะโอ๊ยทำดีไม่ได้ก็ทำมาตั้งนานแล้วไม่เห็นได้ดีเลย น, ะนี่ปลูกอีกปลูกต้นมะม่วงเนะี่ ปลตั้งสปีไม่เห็นออกลูกสักทีแลยตัดมันทิ้งซะเลยไม่ต้องเอาไว้เลยเนี่ยนี่ระวังความคิดมันจะเป็นลักษณะนี้เนี่ยนั้นก็เป็นความคิดผิดเหมือนกันนะถ้าคิดถูกมันก็ถูกหมดแหละเนี่ยทำดีย่อมได้ดีอะทําตอนนี้ก็ได้เดี๋ยวนี้นี่มันยังไม่ปรากฏเหมือนเอาเม็ดอะไรลงไปในดินนะนี่นี่มันสองสามวันก็อาจจะโผล่ขึ้นมาวันแรกอาจจะยังไม่โผล่นะ แต่ใจร้อนไปเลยไม่เห็นเกิดขึ้นสักทีนลหรือว่าเม็ดมันใช้ไม่ได้มันเน่าซะแล้วยังไม่ถึงการถึงเวลาของมันนะไม่ต้องไปเร่งมันตรงนั้นทําหน้าที่เท่านั้นแหละบันดูมันหน่อยลดน้ําให้มันหน่อยเดี๋ยวมันก็งอกขึ้นมาหรอกนะพองอกขึ้นมาเป็นใบนี่ก็อยากจะได้เร็วๆนี่มันไม่โตเร็วนะอันนั้นเป็นความอยากมันก็แข่งกันไปแข่งกันไปหน้าที่กับความอยากมันก็แทรกกันไปอยู่นั่นแหละนี่ถ้าเราไม่เข้าใจละหน้าที่เสียเนี่ย สนองความอยากก็เสร็จเลยไม่สำเร็จสักเรื่องนนะี่ยไม่ได้มักได้ผลกับท่านหรอกนะเป็นผลไม้ก็ไม่ได้กินปลูกแล้วปลูกอีกทิ้งไปเรื่อยนะี่นี่ใจมันร้อนี่ว่าอย่าทำด้วยตัณหาอย่าทำด้วยความอยากนะให้ถือว่าทางนี้ท่านบอกว่าถูกแล้วก็ทาเป็นเพียงหน้าที่เท่านั้นนะีจะช้าจะเร็วก็ช่างมันขอให้เราได้ทำานะีในอัตภาพหนึ่งให้ได้ทำดีก็แล้วกันเนาะ ทำให้มันถึงที่สุดของมันนั่นแหละจะได้มักได้ผลหรือไม่ได้ก็ช่างมันขอให้เราทำทำให้มันถูกนะจเจริญเีนให้ดีสมาธิให้ถูกนะปัญญาให้ถูกต้องนะเท่านั้นแหละเป็นหน้าที่ของเรานะทำไปทำไปมันก็ค่อยๆพัฒนาไปเอง น, ะนี่พระเจ้าถึ ง, ถงสรรเสริญว่าผู้ปฏิบัตินี่คู่ควรแต่การสรรเสริญนะไม่ว่าจะล้มลุกคุกคานนะ แต่ว่าความพยายามของเขานั้นมันมีผลอยู่แล้วนะไม่วันใดวันหนึ่งเขาก็จะเข้าถึงมากถึงผลได้ถ้าจึงสั่เสริญผู้ปฏิบัติเนี่ยนั้นเราก็ไม่ต้องท้อไม่ต้องท้อนะแล้วก็อย่าเอาคนอื่นมาเป็นข้อเปรียบเทียบกับเราเนะี่ยถ้าไปมองคนอื่นมาเปรียบเทียบกับเราแล้วมันจะน้อยใจนะ่โอ้ยเขาไปได้ดีแต่เราทำไมมันอยู่ไม่ไปไหนเลยนะ น้อยอกน้อยใจได้การปฏิบัติตามปฏิปฏาทาทำไปไม่ต้องไปเอาใครไปแข่งใครละให้มองมองในแง่ดีไว้ถ้าเข้าไปได้เร็วก็สาธุอนุโมทนาสาธุดีแล้วดีมันหมดทุกอย่างนั่ตั้งจิตไว้ดีตั้งจิตไว้ดีมันก็ดีแล้วก็ทําหน้าที่ของเราเขาทําหน้าที่ของเขาคนฟีเท้าเร็วก็ไปเร็วหน่อย เราเป็นเต่าก็ค่อยๆเดินไปแต่อย่าหยุดไปเรื่อยๆให้มันถูกทางก็แล้วกันมันก็ถึงจุดหมายปลายทางได้นะี่นั่นคือปฏิปทาไงปฏิปทานะี่บางคนก็เร็วจริงนะเพราะว่าเขาสั่งสมบุญบาบารมีมาเยอะนะปฏิบัติก็ไม่ต้องลงทุนยากนะไม่ต้องหักโหมไม่ต้องทรมานแต่ก็ไปง่ายๆเพราะปัญญาเขามันพร้อมแล้วไง สั่งสมอารมณ์ปัญญาไว้เพียงพอแล้วก็เข้าใจง่ายๆเหมือนสมัยพุทธกาลสามเณรป่งผมเลยปองผมจบก็สำเร็จมรรคผลเลยเป็นพระอรหันต์ไปเลยทำไมจะเร็วขนาดนั้น <c oughs> ก็มีเหตุมีปัจจัยเนาะไม่ใช่พูดแล้วว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้นะท่านบอกว่าโกนผมมาปล่อยหนึ่งท่านก็เป็นนาถึง ความสิ้นความเสื่อมเนี่ยตอกยำ้ำายนะครั้งที่สองเอามาพินาศยำ้ำก็ไปอีกครั้งที่สามยำ้ำก็ไปอีกจนเห็นสัจจะเห็นความจริงจิตใจหลุดพ้นไปในขณะนั้นนีน่น่นเพราะว่าสั่งสมไปนี่สั่งสมไปมันก็เป็นอุปนิสัยปัจจยัยเนะี่ยบางอย่างมันเกินวิสัยที่เราจะรู้ได้นะมั น, ม, นมันก็ยังไม่ควรปฏิเสธนะ ก็ฟังไว้ก่อนเชื่อไม่เชื่อฟังไว้ก่อนเหมือนเรื่องเมื่อกี้นี่แหละเรื่องพระมหากระจายยนะเรื่องพิสดารครับโซโระยะนี่นันเป็นไปได้หรือในอัตภาพนึ่นี่กับเพศเป็นกลับไปกลับมามีลูกทั้งสี่คนก็ไม่เป็นไรฟังประดับไปก่อนอาจารย์อาจารย์ท่านว่าไปอย่างนั้นนะแต่มันอาจจะมีก็ได้ในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมันก็เป็นได้แม้เดี๋ยวนี้ก็มีอะไรแปลกๆเยอะอนะ สิ่งที่ไม่เคยเห็นบางทีไปดูที่ห้องกายภาพก็ยังแปลกใจเหมือนกันเอ๊ะมันเป็นไปได้อย่างไรเนี่ ย, ยแม้แต่กับคนเองเนี่ ย, ยหรือกับสัตว์เนี่ยมันก็เป็นไปสารพัดอย่างเนี่ ย, ยโทษเหมือนกันนะประวัติในธรรมบทนะครับพระมหากาัยนะท่านเป็นคนรูปงามไงใครเห็นก็เป็นกิเลสเกิเลสเหตุเพราะเนี่ยท่านโสรยะเนี่ยเห็นเนะี่ยท่านก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกัน พอไปขอขอมาท่านรู้เรื่องทั้งโอ้ร่างกายมันมีโทษถึงขนาดนี้เลยเนี่ทำความเดือดร้อนให้แก่บุคคลที่มองเห็นขนาดนี้ตามเรื่องนรับท่านก็เลยอธิษฐานจิตให้ท้องพุ้ยเสียนิไม่ให้งามให้อ้วน อ, อ้วนอ้อ้ว น, วนดูผิดไปจากเดิมเลยเนี่ยเพื่อตัดปัญหาเรื่องนี้คนเห็นก็จะมองไปในทางอื่นเสีย แต่ก็เป็นความนิยมนะเดี๋ยวนี้ใครก็อยากสร้างพระปกเกมหากระจายนะแล้วที่ไหนกำลังสร้างใหญ่ที่สุดในโลกที่ไหนไม่รู้มหากระจายนะนั่นก็มีที่ไปที่มาแต่จุดสำคัญพระพุทธองค์ทรงต้องการที่จะให้เราเข้าใจพุทธภาสิทธิ์ในเรื่องจิตใจจิตใจที่ตั้งไว้ดีตั้งไว้ถูกหรือตั้งไว้ผิดนี่เป็นเป็นส่วนสำคัญนะ เพอมันจะนำสุขนำทุกมาให้เพราะอยู่ที่เราตั้งไว้ลักษณะไหนถ้าตั้งไว้ดีมันก็นำสุขมาให้ตั้งไว้ไม่ดีนำทุกมาให้ก็เป็นเครื่องประดับความรู้นี่ไปพิจรารณา